เรื่องพระโปตถิละการตามรู้สภาวะปัจจุบันโดยไม่ได้เกิดชวนาทางปัจจทวานี้เปรียบเหมือนการจับเหี้ยซึ่งสมณเณร น, น้อยรูปหนึ่งกล่าวสอนแก่พระโปติละไว้ดังมีเรื่องเล่าว่าสมัยพุทธกาลมีพระเถระรูปหนึ่งชื่อว่าพระโปตทิละ เคยได้บวชเรียนทรงจำพระไตรปิฎกและก็สอนปริยติธรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหกพระองค์มีพระวิปัสสีเป็นต้นแม้ในชาตินี้ท่านก็บวชเรียนทรงจำพระไตรปิฎกเช่นกันแต่ยังไม่ได้บรรลุคุณธรรมพิเศษเป็นพระอริยบุคคลวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรียกท่านว่าตุชับโปทิละจึงเกิดความสลดใจดำริว่า แม้ท่านได้สอนพระไตรปิฎกแก่ภิกษุห0 0รอรูปอยู่เนืองนิดแต่ก็ยังไม่ได้บรรลุฌานหรือมรรคผลพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกเช่นนั้นท่านจึงตัดสินใจออกเดินทางไปจากวัดพระเจตวันไกลออกไปร2 0ยยโยศเพื่อปฏิบัติธรรมพอถึงวัดป่าแห่งหนึ่งซึ่งมีพระอาหารหันต์สาสรูปท่านได้ขอกรรมฐาน กับพระมหาเถระแต่เพื่อให้ท่านลดมานะในความรู้ที่มีพระมหาเถระจึงให้ท่านไปขอกรรมฐานกับพระเถระรูปที่สองพระเถระนั้นก็ได้ให้ไปขอกับพระอีกรูปหนึ่งได้แนะนำไปขอกรรมฐานจากพระรูปอื่นอื่นอีกจนกระทั่งถึงสามเณร น, น้อยอายุเจ็ดขวบ ท่านก็ประนมมือขอกรรมฐานจากสามเณรน้อยสามเณรน้อยได้ตอบว่ากระผมอายุยังน้อยการศึกษาก็น้อยยังต้องเรียนรู้จากท่านอีกมากจึงสอนท่านไม่ได้แต่พระโพตทีละยืนยันว่าจะขอกรรมฐานจากสามเณรน้อยและพูดว่าจะปฏิบัติตามที่สอนทุกอย่าง สมเณรจึงทดสอบด้วยการบอกให้เดินลงไปในน้ำท่านก็เดินลงไปพอปลายจีวรของท่านเปียกน้ำสมณเณรให้ท่านขึ้นจากน้ำแล้วให้กรรมฐานว่าท่านขอรับจอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูหกแห่งถ้าอยากจะจับเหี้ยในจอมปลวกก็ให้ปิดรูห้าแห่งแล้วคอยจับในรูเดียวที่เหลือ การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันเมื่ออารมณ์6กมาปรากฏทางทวารหบุคคลพึงปิดทวารหแล้วเปิดทวารใจเพียงแห่งเดียวคำว่าปิดทวารหหมายถึงการไม่ให้เกิดชวนาจิตในทวารเหล่านั้นมิได้หมายถึงการไม่ดูหรือไม่ฟังเพราะไม่อาจห้ามการดูหรือการฟังทางทวารได้แม้จะปิดตาหรือปิดหู ไม่ให้เห็นและได้ยินก็หาประโยชน์ไม่ได้ดังข้อความในอินทริยะภาวนาสูตรว่าดูกระระอุตระถ้าการไม่ดูไม่ฟังเป็นวิธีอบรมอินทรีย์อย่างนั้นคนตาบอดก็จักอบรมอินทรีย์ได้คนหูหนวกจักอบรมอินทรีย์ได้ตามคำของพรามปาราสิวิยะ เพราะคนตาบอดเห็นรูปด้วยตาไม่ได้คนหูหนวกได้ยินเสียงด้วยหูไม่ได้นอกจากนี้ในอินทริยภาวนาสูตรและในพระสูตรอื่นพระพุทธองค์ตรัสถึงการสารวมทวารเมื่อรับรู้อารมณ์หกด้วยพระดารัสว่าจักคูนารูปังทิศวาเห็นรูปด้วยจักสุแล้ว โสเตนะสัทธังสุตตวาฟังเสียงด้วยหูแล้วเป็นต้นมิได้ตรัสถึงความสำรวมโดยยังไม่รับรู้อารมณหกดังนั้นความสำรวมดังกล่าวจึงหมายถึงการไม่เกิดชวนาจิตในปัจจทวานคำว่าเปิดทวารใจหมายถึงการให้เกิดวิปัสนาชวนาจิตทางมโนทวานนั่นเองเมื่อ พระโพธิละได้สดับคำสอนนี้ก็เกิดความเข้าใจอย่างชัดเจนเหมือนพบดวงประทีปในความมืดในขณะนั้นพระบรมศาสดาประทับอยู่ห่างร้อยโยชได้แสดงพระองค์ประจักษ์เหมือนประทับอยู่เฉพาะหน้าแล้วตรัสพระคถาในคำพีธรรมบทว่าปัญญาเกิดมีได้เพราะความเพียรเสื่อมไปเพราะไม่ภาคเพียร เมื่อรู้ทางเจริญและทางเสื่อมของปัญญาแล้วควรทำตนให้ดำรงอยู่โดยวิถีทางที่ปัญญาจะเจริญพระโปตทิระได้บรรลุอรหัตผลเมื่อฟังพระธรรมเทศนานี้จบความข้อนี้กล่าวไว้ในอรถกถาของคำพีธรรมบทบ้างแห่งอ้างเรื่องพระโปตทิระและสรุปว่าการศึกษาปริยติธรรมไม่สำคัญเท่าการปฏิบัติธรรม ที่จริงแล้วการศึกษาปริยัติธรรมเหมือนการอ่านแผนที่เดินทางถ้าไม่มีแผนที่ก็อาจเดินผิดทางได้แม้ไม่ยอมรับว่าสติปัฏฐานเป็นทางสายเดียวสู่ความพ้นทุกข์แต่ถ้าไม่เข้าใจวิธีเจริญสติปัฏฐานอย่างถูกต้องแล้วจะปฏิบัติธรรมได้อย่างไรนอกจากนี้การที่ พระโพธิเละทรงจำและสอนพระไตรปิฎกเป็นเวลานา น, านแสดงว่าท่านก็หมั่นปฏิบัติธรรมเพื่อการบรรลุธรรมอยู่เสมอเมื่อถึงเวลาที่บารมีสุขงอมพระพุทธองค์จึงตรัสเรียกอย่างนั้นเพื่อให้ท่านสังเวชใจปล่อยวางปริยัติธรรมแล้วมุ่งสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังมิได้เป็นการแสดงว่าการศึกษาปริยัติธรรมไม่สาคัญ การปรากฏของรูปและนามในคำพีวิสุธทธิมักกล่าวว่าอนหนึ่งเมื่อนักปฏิบัตินั้นกาหนดรู้อย่างชัดเจนเช่นนี้นามธรรมาย่อมปรากฏด้วยอาการสามประการโดยความเป็นภัสสะเวทนาหรือวิญญาณ น, นักปฏิบัติผู้ที่ตามรู้รูปธรรมอย่างชัดเจนจนกระทั่งอย่างเห็นลักษณะพิเศษของรูปธรรมแล้ว นามธรรมที่เกิดทางจากขุทวานเป็นต้นย่อมปรากฏชัดแก่เขาโดยผัสสะบ้างวิญญาณจิตบ้างเช่นเมื่อนักปฏิบัติได้รับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนของปฐวีาธาตุแล้วในบางขณะอาจรับรู้ผัสสะคือการกระทบกับความแข็งหรืออ่อนบางขณะอาจรับรู้เวทนาคือความรู้สึกสุขหรือทุกข์ บางขณะอาจรู้วิญญาณนจิตที่รับรู้ความแข็งหรืออ่อนอย่างไรก็ตามเมื่อรับรู้ผัสสะก็นับว่ารับรู้นามธรรมอื่นคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณอีกด้วยเพราะนามธรรมเหล่านี้เกิดพร้อมกันเหมือนมีเชือกห้าเส้นผูกติดกันเชือกเส้นหนึ่ง โผล่ขึ้นเหนือน้ำอีกห้าเส้นจมอยู่ในน้ำเมื่อดึงเชือกที่อยู่เหนือน้ำมาเชือกเส้นอื่นก็ตามติดมาด้วยชั้นใดผัสสะเหมือนเชือกที่อยู่ในน้ำเวทนาเป็นต้นเหมือนเชือกที่อยู่ในน้ำการดึงเชือกที่ปรากฏแล้วมีเชือกที่ไม่ปรากฏติดมาด้วยเหมือนการกาหนดผัสสะที่ปรากฏชัดแล้ว นับว่าได้ความรู้เวทนาเป็นต้นโดยอ้อมดังสาทกกล่าวว่าพระอัตถคาจารย์แสดงความประจักษ์ด้วยความปรากฏชัดโดยอาการกระทบของผัสสะนี้ด้วยคำที่แสดงว่าผัสสะปรากฏชัดอย่างไรก็ตามเมื่อผัสสะปรากฏชัดผัสสะนั้นมีอยู่ในอารมณ์ใดเวทนาที่มีลักษณะเสวยอารมณ์นั้น สัญญามีลักษณะหมายรู้เจตนามีลักษณะตั้งใจและวิญญาณจิตมีลักษณะรับรู้นามธรรมเหล่านี้ย่อมปรากฏภาษาปรากฏชัดแก่บุคคลใดบุคคลนั้นย่อมกำหนดรู้ธรรมอื่นอันมีภาษาเป็นลำดับที่หแม้ว่าเวทนาที่เสวยอารมณ์นั้นสัญญาที่หมายรู้เจตนาที่ตั้งใจ และวิญญาณที่รับรู้ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะในพระสูตรนี้หมายเอาขันสามที่เกิดร่วมกับจักขุวิญญาณเพราะขันเหล่านั้นเรียกว่าธรรมเป็นที่พึงรับรู้ด้วยจักขุวิญญาณเนื่องจากเป็นธรรมที่รับรู้ได้พร้อมกับจักขุวิญญาณพระดำรัสว่าติดโสเวทนาเวทนาสาม มีความหมายว่าเมื่อบุคคลกำหนดรู้ผัสสะหารด้วยปริญญาสามก็เป็นอันกำหนดรู้เวทนาสามเพราะเวทนามีผัสสะนั้นเป็นเหตุเกิดและเกิดพร้อมกับผัสสะนั้นปริญญาสามที่กล่าวถึงในที่นี้คือ หนาตตปริญญาการยังเห็นด้วยการกำหนดรู้สภาวะลักษณะเป็นลักษณะพิเศษของรูปนามหมายถึงนามรูปปริเฉทะยานและปัจจยะปริฆหายาณ 2. ติรนาปปริญญาการยังเห็นด้วยการพิจารณาสามัญลักษณะคือลักษณะทั่วไปที่เป็นความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนหมายถึงสมัสนญาณและอุทภพญยาณยสามปหาณปริญญาการอย่างเห็นด้วยการละนิจสัญญาเป็นต้นหมายถึงวิปัสนาญาณตั้งแต่พังคยานเป็นต้นไปเมื่อบุคคลกำหนดรู้วิญญาณแล้วรูปนามนั้น ก็เป็นอันกำหนดรู้โดยแท้เพราะรูปนามีวิญญาณนั้นเป็นมูลเหตุและเกิดพร้อมกันดูกระอานอนทาตุมี6ประเภทเหล่านี้คือปฐวีธาตุอโปธาตุเตโชธาตุไบโยธาตุอากาศธาตุและวิญญาณธาตุบุคคลย่อมรู้เห็นธาตุทั้ง6ประเภทนี้ด้วยวิปัสนาญาณ และมักคยานใดเขาควรกล่าวเป็นภิกษุผู้ฉลาดในธาตุด้วยการรู้เห็นเพียงเท่านี้คำพีอัธกถาของพระสูตรนี้ได้อธิบายว่าพระบรมศาสดาตรัสมรรคพร้อมด้วยวิปัสนาด้วยพระดำรัสว่าชานาติปัสติส่วนปฐวีธาตุเป็นต้นรัสไว้เพื่อแสดงร่างกาย ที่มีใจกรองว่าว่างเปล่าไม่ใช่สัตว์บุคคลธาตุทั้งหประเภทนั้นพึงเพิ่มให้ครบด้วยธาตุสิประเภทที่กล่าวมาแล้วเมื่อจะเพิ่มให้ครบพึงเพิ่มโดยนำมาจากวิญญาณธาตุความจริงวิญญาณธาตุเหล่านี้มีหประเภทโดยจำแนกเป็นจากขูวิญญาณธาตุเป็นต้นในบรรดาธาตุเหล่านั้น เม <ME> ื่อบุคคลกำหนดรู้จักจักขวิญ ญ, ญาณก็เป็นอันกำหนดรู้ธาตุทั้งสองคือจักขุทธาตุอันเป็นที่ตั้งของจักขวิญญาณ น, นั้นและรูปธาตุอันเป็นอารมพึงทราบในนี้ในวิญญาณธาตุตั้งโปรงอันหนึง่งเมื่อบุคคลกำหนดรู้มโนวิญญาณธาตุแล้วก็เป็นอันกำหนดรู้ธาตุทั้งสองคือ มโนธาตุโดยความเป็นสัมปติชนะจิตที่เกิดก่อนและปัญจทวาราวัชณะจิตที่เกิดภายหลังและธรรมธาตุโดยความเป็นอารมณ์พระดำรัสว่านานาติปสติหมายถึงการรู้เห็นด้วยวิปัสนาญาณและมะัคคญาณไม่ใช่การรับรู้ด้วยการสดับหรือตรึกตรองนึกคิด ซึ่งไม่ได้รู้เห็นจากประสบการณ์ของตนสามปฏิชนะจิตเป็นจิตที่เกิดก่อนในลำดับวิถีจิตคือสัมปฏิชนะจิตสันติรณะจิตวทัพภณะจิตชวณะจิตตถารมณะจิตและพวังคะจิตส่วนปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดต่อจากนั้น ในวิถีจิตต่อมาท่านจึงกล่าวว่าสามปฏิชนะจิตเกิดก่อนมโนวิญญาณธาตุอื่นส่วนปัญจทวาราวัชนะจิตเกิดภายหลังพระสูตรข้างต้นกล่าวถึงบุคคลผู้รู้เห็นธาตุหกด้วยวิปาาัสนาญาณและมัคคยานว่าเป็นพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธาตุบุคคลดังกล่าว เพียงรับรู้โพธทัพพระธาตและวิญญาณธาตุอย่างบริบูรณ์เท่านั้นโดยรับรู้อาโปธาตและอากาศธาตุในธรรมธาตุมิได้รับรู้ธรรมธาตุอย่างอื่นพร้อมด้วยธาตุเหล่านี้คือจักรุธาต์โสตธาต์คานาธาตชิวหาธาตกายธาตรูปธาต์ สัตทธาตุคันทัธาตุและระสัตธาตุแต่บุคคลเช่นนั้นจัดว่าเป็นผู้รับรู้ธาตุสิโดยเพิ่มให้ครบท่า18กล่าวคือวิญญาณธาตุจำแนกออกเป็น6อย่างอันได้แก่จักขุวิญญาณธาตุสตาวิญญาณธาตุคานวิญญาณธาตุชิวหาวิญญาณธาตุ กายวิญญาณธาตุและมโนโวิญญาณธาตุมีความพิสดารว่าการรับรู้สภาวะเห็นที่เป็นจักขุวิญญาณธาตุจดเป็นการรับรู้ความใสของจักษุคือจักขุธาตุและสีคือรูปธาตุการรับรู้สภาวะรู้กลิ่นที่เป็นคานวิญญาณธาตุ จัดเป็นการรับรู้ความใสของจมูกคือคณนธาตุและกลิ่นคือคันธาตุการรับรู้สภาวะลิ้มรสที่เป็นชิวหาวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้ในความใสของลิ้นคือชิวหาธาตุและรสคือรสธาตุการรับรู้สภาวะสัมผัสที่เป็นกายวิญญาณธาตุ จัดเป็นการรับรู้ความใสของร่างกายคือกายธาตุและสัมผัสคือโผดทัพพาธาตุการรับรู้สภาวะนึกคิดที่เป็นมโนวิญญาณธาตุจัดเป็นการรับรู้มโนธาตุคือสัมปติชนะจิตที่เกิดก่อนและปัญจทวาราวชนะจิตที่เกิดภายหลังและธรรมธาตุคือมโนสัมผัส โดยประการดังนี้การรู้เห็นธาตุหกย่อมส่งผลให้รับรู้ธาตุอื่นในธาตุสอย่างอีกด้วยดังนั้นการรู้เห็นวิญญาณธาตุอย่างใดยอย่างหนึ่งหรือรูปนามอย่างใดยอย่างหนึ่งที่ทำให้รับรู้วิญญาณธาตุทั้งหมดและรูปนามทั้งหมดเช่นเดียวกันด้วยเหตุนี้นักปฏิบัติจึงควรกำหนดว่าเห็นหนอ ในขณะเห็นได้ยินหนอในขณะได้ยินรู้หนอในขณะรู้กลิ่นลิ้มหนอในขณะลิ้มรส ถ, ถูกหนอในขณะสัมผัสโดยรับรู้สภาวะเย็นร้อนอ่อนแข็งหรือหย่อนตึงที่เกิดขึ้นในขณะนั้นถ้าความเย็นร้อนเป็นต้นไม่ชัดเจน ก็ควรกำหนดว่าถูกหนอถ้าสภาวะเย็นร้อนหรือเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งชัดเจนควรกำหนดตามอาการนั้นๆว่าเย็นหนอกร้อนหนออ่อนหนอแข็งหนอสุกหนอเหนื่อยหนอเจ็บหนอปวดหนอคันหนอชาหนอ ความจริงแล้วการรับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนเป็นการรู้ชัดปัตวีธาตุส่วนการรับรู้เป็นสัมผัสที่ดีหรือไม่ดีเป็นการรู้เกี่ยวกับธาตุทั้งสามคือปัตวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุดังสาทกในคำพีอัตถสาริณีว่าอนหนึ่งในเรื่องนี้พระบรมศาสดา ทรงจำแนกปฐวีธาตุด้วยบท6บทเหล่านี้คือแข็งอ่อนละเอียดหยาบหนักเบาและทรงจำแนกมหาภูต ร, รูปสามด้วยบทสองบทคือสัมผัสเป็นสุขสัมผัสเป็นทุกข์ วิธีตามรู้ลมหายใจเข้าออกในมหาสติปัฏฐานสูตรมีพระพุทธพจน์ว่าโสโตวะอัตสสติสโตวะปัจสสติเธอมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกการรับรู้สภาวะสัมผัสคือโพธพารณม ของวายโยธาตอันกระทบที่ปลายจมูกหรือริมฝีปากบนพร้อมกับการรับรู้กายวิญญาณ จ, จิตเป็นการเจริญอาณาปานาสติแบบวิปัสสนาดังที่ได้กล่าวมาแล้วในตอนปริเชษ ท, ที่สามว่าการเจริญอาณาปานะาเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาโดยคล้อยตามอารมณ์ที่กำหนดว่า เป็นบัญญัติหรือปรมาตัติมีลักษณะเป็นต้นดังนี้คือสภาวะตึงหย่อนที่ปรากฏเหมือนสิ่งที่ถูกดึงเข้าออกเป็นลักษณะพิเศษของวายโยธาดการทําให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่การผลักดันเป็นอาการปรากฏ ความเกิดดับของลมหายใจเข้าออกย่อมประจักษ์แกผ่ผู้ประลึกรู้ลมหายใจตามวิปั ส, สนาในดังกล่าวนี้เขาย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงกองลมที่เคลื่อนไหวไม่มีบุคคลตัวเราของเราเขาไม่ปลูกพันด้วยตัณหาทิฏฐิและไม่ยึดมั่นสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลก ดังข้อความในมหาสติปัฐานสูตรหมวดอนาปานะว่าเธอตามรู้สภาวะคือความเกิดขึ้นในกองรูปอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือความดับในกองรูปอยู่บ้างตามรู้สภาวะคือทั้งความเกิดขึ้นและความดับในกองรูปอยู่บ้างเธอย่อมเป็นอยู่อีกอย่างหนึ่งคือเข้าไปตั้งสติว่ากองรูปมี ก็เพียงสักแต่ว่าเอาไว้รู้เพียงเอาไว้ระลึกได้เท่านั้นเธออยู่อย่างเป็นผู้ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิเข้าอิงอาศัยและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกการตามรู้ธาตุสในขณะยืนเดินนั่งนอนเมื่อนักปฏิบัติกระทบกับรูป42ประการ ในร่างกายที่เรียกว่าอาการ42คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูเป็นต้นพึงกำหนดว่าถูกหนอจัดเป็นการรับรู้สภาวะธรรมดังต่อไปนี้คือการรับรู้สภาวะแข็งหรืออ่อนเป็นลักษณะพิเศษของปัทวีธาตการรับรู้สภาวะเย็นหรือร้อน เป็นลักษณะพิเศษของเตโชธาต์การรับรู้สภาวะหย่อนหรือตึงเป็นลักษณะพิเศษของวายโยธาตการทำให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่ของวายโยธาตการผลักดันเป็นอาการปรากฏของวายโยธาตการรับรู้สภาวะไหลในขณะที่เหงื่อน้ำลายน้ำตาไหลออก ในขณะถ่มสเลตถ่มน้ำลายและขณะปั ส, สวะเป็นต้นเป็นลักษณะพิเศษของอาปโปธาต์การซึมแผลกระจายไปในขณะดื่มน้ําหรืออาบน้ําเป็นต้นเป็นหน้าที่ของอาโปธาต์การรวมตัวของรูปร่างเป็นอาการปรากฏของอาโปธาต์ ธาตุสีในร่างกายจำแนกออกเป็นอาการสามสิบสองคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอนกระดูกเยื่อในกระดูก ม, ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมองดีเสมหะหนองเลือดเงื่อมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูก ไขข้อมูดอาการ42ก็คืออาการ32ซึ่งจำแนกเป็น 1. ธาตุดินมีอาการ20คือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหมหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่ามันสมอง 2. ทธาตุน้ำมีอาการสิบสองคือดีเสมหะน้องเลือดเงือมันค้นน้ำตามันเหลวน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูด 3. ทธาตุไฟมีอาการสี่คือไออุ่นไฟทำให้เสื่อมโทรมไฟแผดเผาและ 4. ทธาตุลมมีอาการหกคือ ลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องคือลมในช่องท้องนอกลำไส้ใหญ่ลมในลำไส้ใหญ่ลมพัดไปตามอวัยวะน้อยใหญ่และลมหายใจเข้าออกอาโปธาดนี้ไม่ใช่โผดทพารมณ์ที่กระทบสัมผัสทางกายได้แต่เป็นสิ่งที่รับรู้ได้ทางใจ เมื่อกระทบกับปัตวีธาตุเตโชธาตุและวายโยธาตุก่อนแล้วตอมานักปฏิบัติจึงสามารถรับรู้อาโปธาตุด้วยการตามรู้สภาวะสัมผัสความจริงน้ำที่สัมผัสได้นั้นเป็นปัตวีธาตุมีลักษณะอ่อนประกอบด้วยสภาวะเย็นหรือร้อนของเตโชธาตุและสภาวะหย่อนของวายโยธาตุ ส่วนสภาวะไหลหรือเกาะกลุ่มของาธาตุน้ำเป็นสิ่งรับรู้ทางใจเท่านั้นผู้ที่เจริญสติระลึกรู้เท่าทันทาธาตุทั้งสี่ตามในที่กล่าวมานี้ย่อมรู้ชัดว่ามีเพียงสภาวะแข็งอ่อนไหลเกาะกุมเย็นร้อนหรือหย่อนตึงไม่มีบุคคลเราของเราบุรุษสตรี สมจริงดังพระพุทธพจน์ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายข้อปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ดำรงไว้โดยความเป็นาธาตุว่ า, าธาตุดินาธาตุน้ำาธาตุไฟและาธาตุลมมีอยู่ในกายนี้ข้อวินิจฉัยการปฏิบัติแบบพองยุบ บางแห่งกล่าวว่าการตามรู้สภาวะพองยุบไม่สอดคล้องกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในที่นี้ขอชี้แจงว่าการตามรู้สภาวะพองยุบนี้จัดเป็นธาตุกรรมฐานตามพระบาลีข้างต้นโดยสภาวะพองยุบเป็นลมในท้องที่ดันให้พองออกและหดยุบลงเมื่อหายใจเข้าออก การกำหนดสภาวะพองยุบว่าพองหนอยุบหนอหรือตึงหนอหย่อนหนาจัดว่าได้รับรู้ลักษณะเป็นต้นดังนี้คือสภาวะตึงหย่อนของธาตุลมที่เป็นโพธพารมเป็นลักษณะพิเศษของวายโยธาตการทำให้เคลื่อนไหวจากระยะหนึ่งไปสู่อีกระยะหนึ่งเป็นหน้าที่ของวายโยธาต การผลักดันเป็นอาการปรากฏของวายโยธาอันหนึ่งวายโยธาที่กล่าวไว้ในกายานุปัสนาคือการตามรู้กองรูปนั้นยังจัดเป็นรูปขันธ์โพัพายตนะโพธพธาตุและทุกขสัตว์ในธรรมานุปัสนาคือการตามรู้สภาวะธรรมอีกด้วย ทั้งเป็นสภาวะทางกายที่สอดคล้องกับหมวดอิริยาบถในกายานุปัสนาว่าหรือเธอตั้งกายไว้ด้วยกิริยาท่าทางอย่างใดๆก็รู้ชัดกิริยาท่าทางอย่างนั้นๆด้วยเหตุนี้การเจริญสติรู้เท่าทันสภาวะพองยุบจึงมีความสอดคล้องกับพระบาลีดังที่กล่าวมาแล้วนี้ คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าเมื่อหายใจเข้าลมหายใจจะผ่านปลายจมูกเข้าไปในปอดแล้วเคลื่อนลงไปในท้องส่งผลให้ท้องพองแต่ความจริงไม่ใช่เช่นนั้นการหายใจเป็นกระบวนการที่เกิดจากการทำงานของกล้ามเนื้อกระบังลมสวงอกและกระดูกซี่โครงกระบังลมกั้นอยู่ระหว่างช่องอก และช่องท้องส่งผลให้ลมในท้องพองออกมาและเมื่อหายใจออกกระบังลมจะยืดขึ้นส่งผลให้ลมในท้องยุบลงพร้อมกับดันลมออกจากปอดการเจริญสติตามแบบพองยุบนี้เน้นการกําหนดรู้ธาตุทั้งสคือมีธาตุลมเป็นหลักจัดเป็นสติปัฏฐานประเภทกายานุปัสนา สภาวะการพองยุบนั้นเป็นลมที่เกิดภายในท้องเรียกว่ากุดชิสยะวายโยซึ่งเป็นหนึ่งในลมหกประเภทคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมหายใจและลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่สมจริงดังพระพุทธพจนว่า ดุกะระราหุนวายโยธาเป็นฉนาวายโยธาเป็นภายในก็มีเป็นภายนอกก็มีก็วายโยธาเป็นภายในเป็นฉนสิ่งใดเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยธามีลักษณะพัดไปมาอันกรรมเป็นกิเลสเข้าไปยึดมั่นคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องตาม ลมในท้องลมในลใําไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าออกหรือสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างอื่นเป็นภายในอาศัยตนเป็นวายโยพัดไปมาอันกรรมและกิเลสเข้าไปยึดมั่นนี้เราเรียก ว, า ย, วายโยธาดเป็นภายในก็วายโยธาดเป็นภายในก็ดี เป็นภายนอกก็ดีอันใดวายโยธาตนั้นเป็นวายโยธาต์เหมือนกันเธอพึงรู้เห็นวายโยธาส์นั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่าวายโยธาตนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่ใช่วายโยธาตนั้นวายโยธาตนั้นไม่ใช่ตนของเรา เพราะบุคคลรู้เห็นวายโยธาดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาจิตย่อมคลายกำหนัดในวายโยธา